6. สุราปานวัคา 3. หัตสธรรมสิขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำเรื่องพระสัตระาวคี 335. รสามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุสัตรศสาวคีเล่นน้ำในแม่น้ำอาจิรวดี เวลานั้นพระเจ้าเปรตทีิโกศลประทับอยู่ที่ปราสาทชั้นบนกับพระนางมัลลิกาเทวีพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุสัตร์รศวคีเล่นน้ําอยู่ในแม่น้ําอาจิรวดีครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งกับพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่าน้องมัลลิกานั่นพระอรหันเหล่านั้นกําลังเล่นน้ําพระนางกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคคงจะยังไม่ได้ทรงบัญญัติศิกขาบท หรภิกษุเหล่านั้นยังไม่รอบรู้พระบัญญัติเป็นแน่พระพุทธเจ้าข้าทีนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงมีพระดําริดังนี้ว่าด้วยอุบายอย่างไรเนาะที่ทําให้เราไม่ต้องกราบทูลพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคจะทรงทราบได้ว่าภิกษุเหล่านั้นเล่นน้ํากันครั้นแล้วพระเจ้าประเสิทธิโกศลจึงรับสั่งให้นิมนต์พวกภิกษุสัตตะรสาวกีมาแล้วพระ ราชทานน้ำอ้อยงบเป็นอันมากแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยรับสั่งว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดถวายน้ำอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคพวกภิกษุสัตตะรสาวกีนําน้ําอ้อยงบนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กล่าบทูลดังนี้ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายน้ําอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาพบพวกเธอที่ไหนพวกภิกษุสัตตะสวกีกลับทูลว่าพระราชาพบพวกข้าพระพุทธเจ้ากำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำอจิรวดีพระพุทธเจ้าข้า